ตอนที่หนึ่งรห้าทำผิดข้อห้ามระหว่างอยู่เดือนลีชิงพิงลงจากเตียงเพื่อขยับแข้งขยับขาเดินเล่นออกไปนอกห้องพักผู้ป่วยโดยมีหลีหวานและเจิ้งอวิ๋ชงเดินตามหลังมาติดติดไม่ต้องตามมาขนาดนี้ก็ได้แม่ไม่เดินไปไหนไกลหรอกลีชิงพิงเห็นท่าทางระแวดระวังของสองพ่อลูกแล้วก็รู้สึกว่าพวกเขามองนางราวกับป่วยหนักหนายอย่างนั้นแหละแม่จะฉันกับพ่อก็นั่งอยู่ในห้องเฉยเฉยไม่มีอะไรทาเหมือนกัน ถือโอกาสออกมาเดินสูดอากาศเป็นเพื่อนแม่ด้วยเลยไงจ๊ะลีหวันนั่งอยู่ในห้องพักนานจนปวดไม่เอวและขาไปหมดนับภาษาอะไรกับหลีชิงถิงที่ต้องนอนอยู่บนเตียงทั้งวันทั้งคืนหากไม่ใช่พระหมอบอกว่าลงจากเตียงขยับร่างกายได้แล้วเจ้าชุนหวาคงไม่มีทางยอมให้หลีชิงถิงออกมาเดินเล่นเด็กขาดการขยับร่างกายหลังคลอดในขอบเขตที่ร่างกายรับไหวนั้นช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตที่ขาดีขึ้นขอเพียงทาอย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่อร่างกายเมื่อไหร่ผัวของเธอจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลละ่ะ ต้องจ่ายให้ครบก่อนชั้นถึงจะทําเรื่องออกจากโรงแรมให้ได้โรงพยาบาลเรามีหน้าที่ช่วยชีวิตคนก็จริงแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลฟรีนะนางพยาบาลแบมืออย่างลำบากใจพูดตามตรงนะคนแบบพวกเธอนะี่ยฉันเห็นมาเยอะแล้วในเมื่อไม่มีเงินมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วจะมากันทําไมเฮ่ยนังหนูคนนี้พูดจาได้หน้าเกลียดจริงๆพวกเราเป็นคนแบบไหนกันแล้วถ้าเธอไม่ยอมให้พวกเราออกไปค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละวันใครจะรับผิดชอบ หนิวซูเฟินเท้าสเสอพลางชีนะ้หน้านางพยาบาลได้อย่างเดือดดานลูกชายฉันไม่ใช่ว่าจะไม่มาจ่ายเงินนะแค่ตอนนี้เขายังไม่ว่างเธอทําเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้พวกเราก่อนสิพลูกชายฉันว่าเขาก็จะมาจ่ายเองนั่นแหละไม่ได้หรอกถ้าพวกเธอออกจากโรงพยาบาลไปแล้วใครจะไปรู้ว่าจะกลับมาอีกไหมนางพยาบาลไม่เห็นด้วยกับคําพูดของหนิวซูเฟินหากพวกนางไปแล้วไม่กลับมาจ่ายเงินพยาบาลแผนสูตรินารีเวททุกคนก็ต้องควักเนื้อจ่ายแทน เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกนางไม่อยากเป็นคนโง่ที่ต้องมารับผิดชอบนี่ของคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลตอนนี้พวกเธอก็แค่เอาเงินมาจ่ายก็จบเรื่องแล้วนางพยาบาลไม่อยากเสียเวลาพูดด้วยอีกก่อนจะหันหลังไปตรวจห้องอื่นนางยิงเตือนทิ้งท้ายถ้าไม่มีใบแจ้งออกจากโรงพยาบาลพวกเธอก็อย่าหวังว่าจะเดินพ้นประตูโรงพยาบาลไปได้ฉันขอเตือนว่าอย่าคิดจะแอบหนีไปเงียบๆ เ, เลยดีกว่าหนิวซูเฟินส่งเสียง จิในลำคออ้าปากเตรียมจะด่าดต่อแต่นางพยาบาลก็เดินจากไปแล้วหลิวเคอเคออุ้มลูกสาวไว้ในอ้อมอกพางนั่งลงที่ข้างเตียงเด็กในอ้อมแขนไม่ยอมนอนเองพอวางลงเมื่อไหร่ก็ร้องให้จ้าเมื่อนั้นหลิวเคอเคอรู้ดีว่าลูกร้องเพราะหิวเนื่องจากตั้งแต่คลอดเมื่อคืนนางยังไม่ได้กินอะไรเลยแม่แต่น้ําสักอึ ก, ก็ไม่ได้ตกถึงท้องหลิวเคอเคอจึงไม่มีน้ํานมพอเด็กน้อยร้องให้หนิวซูเฟินก็เอาแต่ด่าทออยู่ตรงนี้หลิวเคอเคอร์เพิ่งคลอดลูกเสร็จจึงไม่อยากมีปากกเสียงับหนิวูฟ นางสูดลมหายใจเข้าลึกๆแม่กลับไปหาเจี้ยนเย่เธอบอกให้เขาเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาช้าไปวันหนึ่งก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกวันนะฉันไม่ไปทําไมแกไม่ไปเองล่ะหนิวซูเฟินแท่นเสียงเหอะเกิดมาเปน็นตัวล้างผ่าญแล้วแกยังมีหน้ามาสั่งอีกเหรอเสียงเงินไปตั้งเท่าไหร่ยังกล้าพูดอีกลูกชายฉันไม่รู้ว่าไปทํากรรมอะไรไว้ถึงได้แต่งแกเข้ามาแกนี่มันร่างกายคนหนูผู้สูงศักดิ์จริงๆแต่หน้าเสียดายที่แกไม่มีวาสนาขนาดนั้น ทำไมคนอื่นเขาถึงเกิดลูกชายกันได้แต่แกดันเกิดมาเป็นนางลูกสาวไม่เอาฐานจริงๆแม่พูดจบหรือยังลิวเคอร์เคอมองหนิวซูเฟินด้วยสายตายเย็นชาถ้าพูดจบแล้วก็รีบไปหาลูกชายแม่เถอะมาเสียเวลายอยู่ที่นี่เลยฉันเพิ่งคลอดลูกเสร็จหมอเขายังไม่ยอมให้ฉันออกไปรอกหนิวซูเฟินไม่มีทางเลือกถึงไม่อยากไปก็ต้องไปจะให้อยู่โรงพยาบาลต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้พราะนางไม่มีปัญญาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองแน่ แม่ฉันขอเตือนว่าอย่าคิดตุกติกน่าตรปบใดที่โจเจียนเยียยังไม่อยากกับฉันฉันก็ยังเป็นลูกสะใภ้บ้านแม่อยู่โรงพยาบาลเพิ่มอีกวันลูกชายแม่ก็ต้องควักเงินจ่ายค่ารักษาให้ฉันเพิ่มอีกวันลิวเคอร์เคอพูดเช่นนี้เพื่อเตือนไม่ให้หนิวซูเฟิร์นเล่นแง่เผื่อว่านางไปแล้วจะไม่กลับมาถึงตอนนั้นนางก็ไม่รู้จะไปตามหาคนได้ที่ไหนรู้แล้วนาะหนิวซูเฟิร์นกรอกตาพลางพึมพำด่าอะไรบางอย่างที่หลิวเคอเคอร์อแซงทําเป็นไม่ได้ยินพอหนิวซูเฟินไปแล้วหูก็ดูจะสงบลงไปมาก หลิวเคอร์เคองเงยหน้าขึ้นสายตาปะทะเข้ากับหลีชิงถิงพอดีเห็นฉันมีชีวิตที่น่าเวทนาแบบนี้เธอคงมีความสุขมากสินะหลีชิงถิงคลอดลูกชายแถมยิงได้นอนห้องเดียวมีคนในครอบครัวมาคอยดูแลถามไถ่าสารทุกสุขบิบอย่างใกล้ชิดตัดภาพมาที่นางนอกจัดจะไม่มีใครคอยดูแลแล้วยังต้องทนรับคาด่าทอจากแม่ผัวเป็นร ะ, ะระยะอีกทั้งหิวทั้งเหนื่อยจนแทบไม่มีแรงหลิวเคอเคอหัวร้อยยศตัวเอง ตอนนี้ในใจเธอคงสะใจมากสินะอยาจะหัวเราะเยาะฉันก็เชิญเลยฉันไม่กลัวเธอหัวเราอเยาะหรอกฉันจะหัวเราอเยาะเธอทำไมเห็นเธอในตอนนี้แล้วฉันก็นึกถึงตอนที่ฉันคลอดเสียหวานขึ้นมามันเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนเลยหรือจะพูดให้ถูกคือตอนนั้นฉันลำบากกว่าเธอเสียอีกเพราะอย่างน้อยเธอก็ได้คลอดที่โรงพยาบาลแต่ฉันต้องคลอดที่บ้านลีชิงพิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วรายละเอียดบางอย่างฉันก็เริ่มจะไม่ค่อยได้แต่พอเห็นเธอ มันก็ทําให้ฉันนึกถึงเรื่องทั้งหมดขึ้นมาฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกยินดีกับตัวเองที่ดวงแข็งรอดมาได้ถ้าตอนนั้นฉันตายไปพร้อมกับลูกเธอคงได้แต่งงานกับโจเจียนเย่ยเร็วกว่านี้หลิวเคอเคอร์อไม่อยากร้องให้นางไม่อยากแสดงความอ่อนแอต่อหน้าผู้หญิงคนนี้แต่น้ําตามันกลับไหลออกมาไม่หยุดตอนนั้นนางรู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วแต่กลับโมโหข่าวคิดว่าโจเจียนเย่ยกับหนิวซูเฟินจะไม่ทํากับนางเช่นนั้น ผลสุดท้ายไม่ว่าใครจะแต่งงานกับโจเจียนเย่ยชีวิตก็ต้องขมขื่นแบบนี้เหมือนกันหมดลิวเคอเคอร์อเสียใจภายหลังแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีโอกาสให้เสียใจอีกแล้วนางยังต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายคนนี้ต่อไปเธอยินดีที่ตัวเองหลุดพ้นจากขุมนรกแต่ฉันกลับเป็นคนกระโดดลงไปในกองไฟนั่นเองกองไฟนี้ไม่ใช่ว่าเธออยากจะกระโดดลงไปเองหรอกหรือถ้าไม่ใช่เพระเธอหนิวซูเฟินจะคิดฆ่าพวกเราทําไมและฉันจะตัดสินใจอย่า ก, กับเขาได้อย่างไร หลิวเคอเคอสรุปแล้ววนไปวนมาความลำบากในตอนนี้ล้วนเป็นพระตัวนางเองทั้งสิ้นแม่จะจะไปคุยไร้สาระกับนางทําไมกันรีบปรับห้องไปพักผ่อนเถอจะจ้ะลหวานไม่มีความรู้สึกดีๆให้หลิวเคอเคอใครจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกจ้ะสําหรับหลีชิงถิงแล้วต่อให้นางไม่แต่งงานใหม่แต่ถ้ามีลูกสาวที่ดีขนาดนี้ครึ่งชีวิตที่เหลือของนางก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีก หลิวเคอเคอกลับรู้สึกว่าการเกิดลูกสาวก็ไม่ได้แย่อะไรลูกสาวนั้นใกล้ชิดและรู้ใจพ่อแม่ที่สุดลูกชายเสียอีกที่จะไม่มีวันเข้าใจความลําบากของการเป็นพ่อแม่เมื่อคิดได้ดังนั้นหลิวเคอเคอก็ก้มลงมองลูกสาวในอ้อมแขนที่นอนหลับอย่างไม่สงบนักขอบตาของนางก็เริ่มแดงขึ้นมาอีกครั้งการที่มีน้ํานมนี่แหละคือปัญหาใหญ่ต่อไปนางจะเลี้ยงลูกสาวอย่างไรเด็กตัวเล็กขนาดนี้นอกจากกินนมแล้วก็กินอย่างอื่นไม่ได้เลยนมคือสิ่งที่มีสารอาหารมากที่สุดแท้ แกเพิ่งคลอดลูกเสร็จก็นั่งอยู่ตรงนี้งั้นหรอแกเสียสติไปแล้วหรือไงเสียงด่าที่คุณเคยดังขึ้นหลิวเคิรเคิรน้ําตาไหลพรากแม่แม่มาได้ยังไงจ๊ะพูดบา้บาๆแกคลอดลูกทั้งทีฉันไม่มาได้ยังไงห้ามร้องให้นะไม่อยากใช้ตาแล้วหรือไงรีบนอนลงเดี๋ยวนี้แม่หลิวเดิมทีตั้งใจจะใจแข็งไม่มาดูนางแต่สุดท้ายก็ทําใจไม่ได้เพราะอย่างไรนี่ก็คือลูกสาวที่นางอุ้มท้องมาสิบเดือนหากไม่มาดูก็คงไม่สบายใจ พอมาถึงแล้วเห็นสภาพลูกสาวก็นึกโมโหหลิวเคอรเคอไม่เพียงแต่สวมเสื้อผ้าบางเฉียบเท่านั้นแต่นางยังนั่งอุ้มลูกแถมยังร้องให้อีกด้วยนางทำผิดข้อห้ามเกือบทุกอย่างของการอยู่เดือนเลยทีเดียว